วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2ีสหเมษายนพุทธศักราช 2,569 เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความร่มเย็นเป็นสุข ให้แก่จิตใจกำจัดความทุกข์ความร้อนใจต่างๆให้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะที่จะเอามาแสดงในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าเครื่องปรับอากาศของใจช่วงนี้เป็นช่วงฤ ด, ดูร้อน อุณหภูมิจะมีอุณหภูมิที่สูงทําให้มีความร้อนทางร่างกายมากจึงมีการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนเพื่อให้ร่างกายนั้นอยู่อย่างสบายไม่ร้อนไม่ไม่เดือดร้อนเพราะว่าถ้าอากาศร้อนมากๆร่างกายก็จะ อยู่อย่างไม่สบายถ้าปรับอากาศลงให้พอกับความเหมาะสมของร่างกายร่างกายก็จะอยู่อย่างสบายแต่เครื่องปรับอากาศของร่างกายนี้ไม่สามารถไปปรับอากาศความร้อนของใจได้ความรุ่มร้อนของใจถ้าอยากจะให้ใจเย็นลง จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องปราบรากาศของใจเครื่องปราบรากาศของใจคืออะไรก็คือการทาบุญด้วยวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบ ร, ริษัตทได้กระทากัน ม, มีอยู่สิบชนิดด้วยกันวิธีเปิดเครื่องปราบรากาศของใจเพื่อลด อุณภูมิคือความร้อนความทุกร้อนของใจให้เบาบางลงและให้หมดสิ้นไปได้วิธีทำบุญที่นิยมกันทำกันอยู่เรื่อยๆก็คือการทำทานการให้ทานแต่ว่าการให้ให้ความสุขกับผู้เมื่อเราให้ความสุขกับผู้ ความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราความสุขใจก็คือความเย็ยนใจนี่เองเวลาที่เรามีความรุ่มร้อนใจมีทุกความทุกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความทุกข์ความร้อนใจได้ก็คือวิธีทําบุญทําทานนี่เองชาวพุทธเราจึงนิยมการทําบุญทาทานอย่างสม่าเสมอ เช่นตอนเช้าก็มีการทําบุญตักบาตรตอนสายก็อาจจะไปที่วัดซื้อข้าวของต่างๆไปบริจาคไปถวายให้กับวัดให้กับพระภิกษุเพื่อให้ท่านจะได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการให้ความสุขกับผู้เมื่อให้ความสุขกับผู้แล้วความสุขนั้นก็จะ กลับมาผู้ให้ผู้กระทาทำให้ผู้กระทานั้นมีใจมีความสุขมีความเย็นใจความรุ่งร้อนใจต่างๆก็อาจจะได้รับการบรรเทาลงไปได้ในระดับหนึ่งวิธีติดเครื่องใช้เครื่องปรับอากาศของใจวิธีแรกก็คือการทำทานวิธีที่สองถ้าเราอยากจะ ให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ความสุขกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ทําบุญอุทิศ ส, ส่วนบุญให้กับผู้ล่วงลับไปได้เชน่นเราคิดถึงบิดามารดาผู้ย่าตายายบุคคลที่มีพระคุณกับเราที่ล่วงลับไปแล้วอยากจะให้ท่านไปสู่สุคติอยากให้ท่านอยู่อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขเราก็สามารถ ทำบุญและอุทิศบุญที่เราทำนี้ให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้เมือ่อเราได้ทําเสร็จแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกสุขใจหิ่มใจเย็นใจขึ้นมาวิธีที่สองของการใช้เครื่องปรับอากาศของใจเปิดเครื่องปรับอากาศของใจด้วยการทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลวิธีที่สามก็คือการอนุโมทนาบุญ ก็คือการไปร่วมทําบุญกับผู้เวลาที่มีเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายมีการทําบุญกันอาจจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ดีอาจจะทําบุญวันเกิดก็ดีหรือวันสําคัญต่างๆก็ดีเราอยู่ว่างๆเราก็สามารถไปร่วมบุญกับเขาได้ไปทําบุญไปร่วมทําบุญกันการได้ร่วมอนุโมทนาบุญ กับการทำบุญของผู้อื่นก็จะทําให้ใจเราเย็นใจของเรามีความสุขเความทุกข์ใจร้อนใจก็อาจจะเบาบางลงไปได้วิธีที่จะทําให้ใจเราเย็นอีกวิธีหนึ่งก็คือการช่วยเหลือผู้นับใช้ผู้เวลาใครเขามีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ถ้าเราพอจะช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือกันไปเช่เนชวเวลาเกิดอุทุกขภ์ภัยเกิดภัยทางธรรมชาติต่างๆมีการขาดแคลนในเรื่องปัจจัยสี่คือเครื่องบริโภคต่างๆเราก็ช่วยกันบริจาคของต่างๆเพื่อไปบรรเทาความทุกข์ยากของผู้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการ รับใช้สังคมช่วยเหลือสังคมทำคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองเราก็ไปเป็นจิตอาสาใช้กำลังกายใช้เวลาของเราปุทิเวลาทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นไปเป็นอาสาสมัครตามองค์กรต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือ การบุคลากรมาช่วยทํางานต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมการรับใช้สังคมการรับใช้ผู้นี้ก็เป็นการทําบุญอีกชนิดหนึ่งเมื่อทําแล้วก็จะทําให้ใจมีความนุ่มเย็นเป็นสุขความวุ่นวายใจความทุกข์ร้อนใจก็จะลดน้อยถอยลงไปได้วิธีที่จะทําให้ใจเราเย็นอีกวิธีหนึ่งก็คือการ ไม่ทำบาปก็คือการรักษาศีลการรักษาศีล น, นี้จะป้องกันไม่ให้เราไปทำบาปที่เวลาที่เราทำบาปแล้วมันจะทำให้ใจเราทุกร้อนขึ้นมาบาปนี้เป็นเหมือนไฟเวลาเราทำบาปก็เหมือนกับเอาไฟเข้ามาเผาเผาใจของเราทำให้ใจของเรามี ค, ความรุ่มร้อนใจมีความไม่สบายใจ ถ้าเราละเว้นการกระทำบาปได้ด้วยการรักษาศีลหรือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆการละเว้นการกระทำเหล่านี้จะทําให้ความทุกข์ร้อนใจที่เกิดจากการกระทำบาปนี้หายไปได้ใจเราที่เคยทุกข์กับความการกระทำบาปต่างๆ พอเราหยุดการกระทำบาปได้ความทุกข์ร้อนใจนั้นก็จะหายไปความเย็นใจความสบายใจก็จะกลับเข้ามาหาเราแล้วถ้าเราอยากที่จะทำให้ใจเรานี่เย็นอย่างเต็มที่ก็มีวิธีการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นการทำบุญอีกวิธีหนึ่ง คือทำจิตใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาเวลาเวลาจิตใจนิ่งสงบแล้วจิตใจจะเย็นใจจะสบายใจจะมีความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเรียกว่าการภาวนาจิตตะภาวนาเป็นการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุข ให้เกิดความเย็นใจสบายใจสามารถดับความทุกข์ทางใจต่างๆได้แต่เป็นการดับแบบชั่วคราวการทําสมาธินี้เป็นการหยุดความคิดปรุงแต่ตงต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจอยู่เรื่อยๆถ้าเราสามารถใช้สติควบคุมความคิด ให้หยุดความคิดได้พอความคิดหยุดลงไปความทุกข์ร้อนใจต่างๆก็จะหายไปแล้วสิ่งที่ก็มาแทนที่ก็คือความเย็นความสงบความสุขที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงเฉลยยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้เป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความเย็นใจที่สูงสุด เพราะว่าความทุกข์ต่างๆนี้จะหายไปหมดเพียงแต่ว่าเป็นการหายแบบชั่วคราวเวลาที่จิตอยู่ในสมาธิไม่สามารถคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆได้ความทุกข์ใจความทุกข์ต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นแต่พอใจถอนออกจากสมาธิเนื่องจากกำลังของสติที่ ทำให้ใจสงบนี้อ่อนกำลังลงพอสติอ่อนกำลังลงใจก็เริ่มคิดปรุงแต่งขึ้นพอเริ่มคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความร้อนขึ้นมาในใจอันนี้เป็นความเป็นการหยุดความทุกข์หยุดความวุ่นวายใจแบบชั่วขาวด้วยการใช้สติคอยกํากับใจให้อยู่กับ อารมณ์ที่เรียกว่ากรรมาฐานเช่นทำบริกรรมพุทธโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกถ้าเราสามารถมีสติกำกับใจให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปได้เรื่อยๆไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วใจก็จะเนิ่งจะเย็นจะสบายเหมือนเข้าไปในห้องปรับอากาศ ใจที่รุวมร้อนใจจากเรื่องราวต่างๆก็จะหายไปหมดแต่ไม่สามารถอยู่ในความสงบนี้ได้ไปตลอดเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องออกจากสมาธิมาช่วนหนึ่งก็ต้องมาดูแลร่างกายร่างกายก็ยังต้องกินต้องดืง่มต้องทำอะไรต่างๆจะอยู่ในสมาธิไปตลอดนี้ก็เป็นไปไม่ได้ อออจากสมาธิมาก็เริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เริ่มไปรับรู้เรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาความทุกข์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็จะโผล่ขึ้นออมามอีกถ้าอยากจะให้ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นเวลาที่ออกจากสมาธิมาก็ต้องทำบุญอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเรียกว่าการเจริญปัญญาหรือสมาชิติการมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องก็คือให้เห็นว่าความทุกข์ใจของเรานี้มันเกิดจากการหาความอยากของเราเองเราอยากให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาใจที่อยู่นิ่งๆเฉยๆก็จะร้อนขึ้นมาทันทีความอยากนี้เป็นเหมือนไฟมันจะคอยกระตุ้นให้ใจต้องไปดิ้นรนไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพื่อมาดับความอยาก แต่การไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาดับความอยากนี้มันไม่ได้เป็นวิธีดับความอยากอย่างถาวรมันดับได้ชั่วคราวอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็ไปหามาพอเวลาหามาได้ความยความอยากนั้นก็หายไปชั่วคราวแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีก เพราะความอยากมันจะไม่ตายด้วยการทําตามความอยากถ้าอยากให้ความอยากมันตายมันหายไปหมดนี่วิธีที่จะทําก็คือต้องฝืนความอยากต้องไม่ทําตามความอยากด้วยการสอนใจให้เห็นโทษของความอยากและเห็นโทษของสิ่งที่อยากได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ความอยากต้องการนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าเป็นของชั่วคราว เป็นของที่ให้ความสุขได้เพียงชั่วคราวไม่สามารถให้ความสุขอย่างถาวรได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกิ่นรดพ้าชนิดต่างๆของต่างๆเหล่า น, า น, นี้มันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้อยู่ ย, ยั่งยืนไปตลอดมันไม่ได้เจริญไปตลอดมันมีการสลับกันมีเจริญสลับกับการเสื่อม เวลาจเจริญมันก็ให้ความสุขแต่พอเวลามันเสือ่อมมันก็จะให้ความทุกข์เวลาที่เราได้เงินได้ทองมาเราก็ดี อ, อกดีใจกันดีความสุขกันพอเงินทองหมดความสุขที่ได้จากเงินทองนั้นก็หมดไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมา่าทีนี้จะเ อ, เอาเงินที่ไหนมาใช้ต่อเมื่อไม่มีเงินใช้ใจก็ต้องดิ้นต้องทุกข์กับการหาเงินมาใหม่ เช่นเดียวกับยศได้ยศใต้ตำแหน่งมาก็ดี อ, อกดีใจฉลองกันสาวัน3าคืนแต่พอไม่นานยศนั้นก็อาจจะหมดได้อาจจะถูกอาจจะถูกปลดออกจากตำแหน่งก็ได้พอสูญเสียยศไปความเศร้าโศกเสียใจก็เข้ามาแทนที่นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราว เป็นของที่ไม่ยั่งยืนถาวรเป็นของที่ไม่แน่นอนวันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องมีการพัดภาจากมันไปถึงแม้ว่าของต่างๆมันยังไม่ได้เสื่อมหมดไปจากเราก็ตามแต่ร่างกายของเรานี้มันก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันร่างกายที่เป็นเครื่องมือที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆมาให้กับใจนี้มันก็เป็นของชั่วคราวมันเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ ต้องเจ็บแล้วตายที่สุดมันก็ต้องตายไปสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ด้วยด้วยร่างกายเช่นราบยศเสริญสุขมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านมียศมีตำแหน่งที่สูงสงอพอถึงเวลาที่จะต้องตายไปของเหล่านี้มันก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ก็ยังต้องตายก็ต้องไปแบบแบบแบบไม่มีอะไรติดไป ตายแบบขอทาน<ม>นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อเราจะได้สกัดกั้นความอยากต่างๆความอยากได้ลาบยศสารเสรญอยากได้ความสุขอย่างรูปเสียงกลิ<ม>่นรสมันเป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกกันเวลาที่ไม่มีความอยากเช่นตอนนี้เรานั่งอยู่เฉยๆใจเราจะไม่ทุกกันแต่พอเราอยากจะลุกขึ้นมาท่านั้น อยากจะไปทํานูน่ทนทํานี่เราจะรู้สึกว่าอยู่นั่งชื่นั่งอยู่เฉยๆแล้วเกิดอาการอึอดดัดขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเราสามารถใช้สติหรือใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากได้ให้เปลี่ยนใจเพระว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะไปทําอะไรสิ่งที่ไปทําก็ไม่สําคัญอะไรสิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้อาการอึอดดัด อาการรู้สึกไม่สบายมันก็จะหายไปก็สามารถนั่งอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้อันนี้คือการใช้ปัญญาคอยสกัดกัน้นคอยกำจัดความอยากที่มันจะมาเป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจทำลายความสงบที่ได้จากการทำสมาธิถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาคอยสกัดกัน้นคอยหยุดความอยาก ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้มันก็จะหายไปหมดพอความอยากหายไปหมดความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากต่างๆมันก็จะหายไปหมดใจก็จะสงบนิ่งเหมือนกับได้เข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิความสงบนี้มีสองรูปแบบความสงบแบบสมาธิคือใช้สติคอยกากับ ควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆอันนี้เป็นความสงบแบบชั่วคราวเป็นความสุขแบบชั่วคราวความสุขที่เป็นความสุขยั่งอยู่นี้ก็จากการกำจัดความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจเวลามีความอยากอันใดปรากฏขึ้นมามันจะทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาใจจะกระวนกระวายกระสับกระส่ายขึ้นมาถ้าเราสามารถใช้ปัญญาหยุดความอยากเหล่านี้ได้ ความกังวลกยความกระสับกระส่ายก็จะหายไปความสงบของใจก็จะกลับมาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิแต่เป็นความสงบเหมือนกับการอยู่ในสมาธิคือเป็นความสงบที่มีความเย็นในความสุขในความสบายและเป็นความเป็นความสงบที่ยั่งยืนกว่าความสงบของสมาธิพราะเมื่อไม่มีตัวที่จะมาคอยสร้างความวุ่นวายใจคือความอยากต่าง ใจก็จะสงบไปตลอดแล้วใจก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปด้วยเพราะตัวที่พาให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากต่างๆนี่ความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพัชชนิดต่างๆความอยากเหล่านี้มันจะเป็นตัวตักดันให้ดวงวิญญาณของโลกเราเวลาที่ร่างกายที่เรามีอยู่ในขณะ น, นี้ตายไป แต่ความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่กับใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายใจจะมาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอร่างกายนี้ตายไปใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ความอยากที่อยากจะหาความสุขจากลาบยศสารเสริญอยากรูปเสียงจิตรสก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะมันอยู่ในใจมันก็จะเป็นตัวผลักดันให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าความอยากเหล่านี้ไม่มันจะไม่หมดไปด้วยการทำตามความอยากมันจะเพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นพออยาก ได้อะไรแล้วก็อยากจะได้อีกได้ให้ได้มากขึ้นอีกไม่ไม่มีคําว่าความอยากจะน้อยลงไปถ้าเราทําตามความอยากมันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆวิธีจะ ท, ทาให้มันหมดไปก็ต้องไม่ทําตามความอยากเท่นั้นเองเมื่อเราฝืนความอยากได้ความอยากมันก็จะค่อยๆหมดกําลังไปในที่สุดแต่ถ้าเราไม่หยุดความอยาก ความอย่างนี้ก็จะพาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำกันเป็นการติดเครื่องประปอากาศแบบชนิดที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถที่จะรักษาใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดจะไม่มีความทุกข์ความรุ่มร้อนใจเกิดขึ้นเลยถ้าเราสามารถใช้การ ดับความทุกข์ดับความร้อนใจด้วยการใช้เครื่องปรับอากาศของการปฏิบัติจิตตภาวานานี่จิตตภาวานามีสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสมถะภาวานาทำใจให้นิ่งให้สงบด้วยสติให้เป็นสมาธิขึ้นมาเป็นความสงบเป็นความน่มเย็นแบบชั่วคราวพอออกจากสมาธิมา ก็ให้ใช้ปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ความอยากต้องการนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเป็นของที่จะทาให้ใจต้องทุกข์ต่อไปถึงแม้ว่าเบื้องต้นอาจจะให้ความสุขเช่นเวลาได้เงินทองมาก็จะได้ความสุขกันแต่เงินทองมันเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีการหมดรืะ ม, มีการสูญ ศูญสูญไปเรือมีการพัดภาคจากกันไปเวลาต้องพัดภาคจากกันไปเวลานั้นความสุขที่ได้จากเงินทองก็จะหายไปเหลืออยู่แต่ความทุกแต่ความเศร้าโศกเสียใจต้องพิจารณาเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วข่าวอ น, นิจจังแปลว่าของชั่วข่าวไม่ยั่งยืนถาวรไม่ยั่งยืนถาวรอนัตตาไม่ใช่เป็นของของเรา เราไม่สามารถเอาอะไรมาครอบครองให้เป็นของเราไปได้ตลอดเวลาสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้ล้วนเป็นสมบัติชั่วคราวทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงนี่ว่าเป็นสมบัติผัดกันชนอันนี้มันเป็นของเราตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นของคนอื่นไปก็ได้เพราะนี้คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้อย่างถาวร ถ้าอยากจะให้มันยั่งยืนถาวรอยากจะครอบครองมันไม่เป็นสมบัติก็จะต้องเจอกับความทุกข์เพราะฉะนั้นอยาาไปอยากได้อะไรอยากไปอยากมีอะไรให้อยู่กับการไม่มีอะไรดีที่สุดอยู่กับการเพราะไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีทุกข์ถ้าเรามีอะไรเราก็จะต้องทุกขกับสิ่งที่เรามีถ้าเรามีสมบัติเราก็ต้องทุกกับสมบัติ ถ้าเรามียศมีตำแหน่งเราก็ต้องทุกกับยศกับตำแหน่งถ้าเรามีคู่ครองเราก็ต้องมาทุกกับคู่ครองมีบุตรมีทิดาเราก็ต้องมาทุกกับบุตรกับทิดาเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่เกิดดับได้มาได้ไปได้ถ้าเราไปยึดไปติดไปรักไปหวงเขาเวลาเขาไปมันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจ เพาะนั้นพยายามสอนใจด้วยปัญญาอยู่เรื่อยๆว่าอยากไปอยากได้อะไรในโลกนี้สิ่งที่เราควรจะอยากหรือควรจะมีก็คือความสงบท่านั้นเองความสงบที่เกิดจากการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างความสงบที่เกิดจากการหยุดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าทุกครั้งที่มีความอยากแล้วเราใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากไม่ให้ไปทาตามความอยากได้ ต่อไปความอยากเหล่านั้นมันก็จะหมดไปพอหมดไปแล้วมันก็จะทำให้ใจเราเย็นใจเราสงบโดยที่ไม่ต้องมีอะไรความสุขที่แท้จริงของใจคือความว่างเปล่าความปราศจากอะไรที่ท่านพระเจ้าทรงตรัสว่านิพพานังปรามังสุญญ์นิพพานคือความว่างเปล่าอันยิ่งใหญ่ใจที่ว่างเปล่าจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจากโลกระททั้งปวงนี่แหละ เป็นใจที่เป็นบรมมาสุขนิบานังประมังสุขขังเพราะใจไม่มีความอยากความต้องการอะไรต่อไปนี่คือวิธีการใช้เครื่องปรับอากาศของใจมากำจัดความนุ่มร้อนใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเริ่มต้นด้วยการทำบุญทำทานในรูปแบบต่างๆแล้วก็มารักษาศีลยุติการกระทำบาปทำกรรม แล้วก็มาบําเพ็ญจิตตาภาวนามาฝึกสตินั่งสมาธิควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งให้นิ่งให้สงบให้ว่างให้อยู่กับความว่างแบบชั่วคราวไปก่อนเวลาจิตนิ่งสงบจิตไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงจิตลดมาให้ความสุขจิตสามารถมีความสุขด้วยการอยู่นิ่งๆเฉยๆนี่เองแล้วพอออกจากสมาธิมา พอจตแล้วมีความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทํำตามความอยากเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้นั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะสามารถละความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ใจก็จะเย็นใจก็จะสงบไปตลอดอย่งไม่มีวันสิ้นสุด นี่ก็คือสิ่งที่เอามาฝากท่านในวันนี้คือเครื่องปรับอากาศของใจเวลาใจมีความรุ่มร้อนใจลองเอาเปิดเครื่องปรับอากาศของใจดูลองไปทำบุญทาทานดูลองไปทาความดีต่างๆดูลองละเว้นจากการกระทำบาปดูลองไปฝึกสตินั่งสมาธิดูลองใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ถ้าปล่อยวางอย่าไปอยากได้แล้วเราจะได้สัมผัสกับความนุ่มเย็นเป็นสุขที่เกิดจากการใช้เครื่องปรับอากาศของใจนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาในลำดับต่อไปเราก็จะมาสร้างความสงบสร้างความสุขเปิดเครื่องปรับอากาศของใจด้วยการทำใจให้สงบ ด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิอย่างที่ใจของเราจะนิ่งสงบเป็นสมาธิมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงได้เราจําเป็นที่จะต้องมีสติคือการระลึกรู้ผูกใจให้ระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานให้ระลึกรู้อยู่กับคําบริกีรำพุทโธพุทโธไปหรือระลึกรู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจที่ปลายจมูก ดูลมที่ปลายจมูกดูว่าตอนนี้ลมกาลังเข้ากาลังออกคร้นี้ก็พอไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก응ถ้าใช้ดูการดูลมไม่ต้องใช้พุทโธโทก็ได้ใช้อย่างเดียวก็พอดูลมอย่างเดียวก็ได้หรือบริกรรมพุทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าอยากจะใช้ทั้งสองอย่างก็ได้เหมือนกันแต่มันจะยากกว่าการใช้อย่างเดียวแต่อาจจะบางคนอาจจะติดการใช้สองอย่าง ก็ใช้ไปแต่จิตมันจะสงบมันจะนิ่งได้มากกว่าถ้ามันใช้อย่างเดียวเพราะถ้าเรายังใช้สองอย่างอยู่จิตมันจะไม่เป็นหนึ่งมันจะไม่รวมมันจะเป็นสองมันจะอยู่มัน ه, ม, ม, ม, ม, ม, มีทั้งพุโทโธมีทั้งลมตอนต้นหนอยจะใช้พุทโธกับลมไปแต่ต่อไปก็ควรจะปล่อยเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาเหลือแต่ลมอย่างเดียวหรือลือแต่พุทโธอย่างเดียว juice, จะดีกว่า แล้วจิตจะได้รวมจะได้เข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ข้อสำคัญคือต้องมีสติแลวเลือกรู้อยู่กรรมาฐานเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรือไปตามรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าที่เข้ามาอาจจะมีเสียงเข้ามาอาจจะมีภาพเข้ามาอาจจะมีความรู้สึกของร่างกายเข้ามาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนี้ก็อย่าไปสนใจ ถ้าไปสนใจเรื่องราวต่างๆนอ่องเหนือเชือกกรรมฐ า, านแล้วใจจะไม่นิ่งไม่สงบจะเข้าสมาธิไม่ได้ถ้าอยากจะให้เข้าสมาธิต้องอยู่กับ ก, บกรรมฐานเพียงอย่างเดียวอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจหรือจะอยู่แบบอื่นก็ได้ถ้าเราใช้แบบอื่นได้บางคนใช้ดูลมที่หน้าท้องก็ได้ยุบหนอ่อพองหนอก็ได้บางคนใช้คําบริกรรมสัมมาอราหังก็ได้บางคนเพ่งดูลูกแก้วก็ได้ เหล่านี้เรียกว่าเป็นกรรมฐานเหมือนกันข้อสําคัญต้องอยู่กับกรรมฐานเพียง อ, อย่างเดียวอย่าอย่าไปอย่าอย่ า, อ ย, า, อ, ยาอย่าทิ้งกรรมฐานไปถ้าเราอยู่กับกรรมฐานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอสงบแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรใจไม่ดิน้นไ ม, ไม่ไม่หนีไปไหนแล้วเราก็อยู่เฉยๆไปอยู่กับความสุขที่เกิดจากความนิ่งความสงบจนกว่าสติจะอ่อนกําลังลงแล้วก็เริ่มเกิดความคิดพุงแต้ม ถ้าเราอยากจะนั่งต่อเราก็ต้องเจริญสติใหม่จเจริญกรรมาฐานใหม่ต่อไปถ้าไม่ถ้าอยากจะเลิกก็ลุกขึ้นมาแต่ก็ถ้าอยากจะนั่งคราวต่อไปก็ควรจะรักษาสติไว้หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วอยากทิ้งสติควรฝึกสติในระหว่างวันไปเรื่อยๆเพื่อเวลาที่เรามานั่งสมาธิขราวต่อไปใจก็จะได้สงบได้ง่ายและสงบได้นาน แล้าต่อไป น, นี้เราจะมานั่งสมาธิกันเป็นเวลาประมาณสักยี่สิบแปดนาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกปวดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้ เราแถวหน้าก็ใช้วิธีนี้ได้ต่อเลยจิตก็จะสงบเหมือนวันนี้และอยากไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้มันจะไม่สงบด้วยความอยากต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องอย่างวันนี้ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกําลังไม่พอควร จ, จะเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่งสมาธิเราสามารถจเจริญสติได้ทั้งวันบริการพุโทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนหับ หรือคอยเฝ้าดูร่างกายเราว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วใจเราก็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นต่อไปลำดับต่อไปนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พรยะท้าวาเรวะฮาปุราปะริปุเรนติสาคะละมเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปปกักปติอิชิตังปฏทิตังตุมังคิปะเมวะสมมิจโต สัพเพปุเรนโตสังกะปาดันโทปนาราโสยธามณิโตติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโลกวินัสตุมาเตปาวัตวันตารโยสุขีติขายุโกภะ าพิวาทานสีลิสานิจังุทธาปจายนโนจตรารโธรมมวทานติอายุวันโนสุขังภาลาังช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เป็นช่วงเดียวที่ได้รับคำตอบเพราะถ้ามาถามตอนที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กาบเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนากุติจากทางเฟซบุ๊ก 293ท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาติ309ท่าน YouTube ดรวี6กท่านครับเฮา์3าท่านวิทยุออนไลน์3ท่านจากหน้ากุฏิ171ท่านรวม845ท่านเจ้าค่ ะ, ะถามก่อนเลย การนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้มีสองคำถามค่ะถามอันแรกก่อนนะคะคำถามแรกก็คือที่พระอาจารย์บอกว่าเราถ้าเราหยุดคิดได้อ่ะเราจะไม่ทุกข์วิธีการที่เราหยุดคิดอ่ะหมายความว่าตอนแรกอะค่ะเราต้องฝึกปฏิบัติคือฝืนก่อนว่าถ้าเรารู้ว่าเราคิดเราก็หาวิธีที่หยุดความคิดทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอ่ะมันจะกลายเป็นอัตโนมัติหรือเปล่าคะว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินหรือเปล่าคะ ก็ยังไม่ไม่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเรายังต้องมาแยากแยะความความคิดก่อนความคิดมีฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแล้วก็หยุดแต่ฝ่ายไม่ดีฝ่ายดีแล้วก็ปล่อยให้คิดได้โอเคค่ะอันที่สองค่ะ อ, อ, อ, อ, อันนี้ถามเพื่ออยากให้พระอาจาร์ตอกย้ำเอิงอีกครั้งหนึ่งค่ะคือเอิงมีความเข้าใจเบื้องต้นค่ะว่า มีความเข้าใจเบื้องต้นว่าสมมติถ้าพรุ่นี้เอิงตายอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เอิงทํามาไม่ว่าจะเป็นความผูกเอเงินทองที่มีทรัพย์สมบัติที่เราได้มาเงินเดือนยศตําแหน่งหรือว่าครอบครัวที่เรามีความผูกพันด้วยอะ่ะมันก็จะหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นความสําคัญสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ที่เอิงพูดมาเมื่อกี้เลยทั้งหมดค่ะแต่เรารู้ทั้งรู้ว่า มันไม่ใช่แต่เราก็ยังอยู่แล้วเราก็ยังหามันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทั้งๆที่เรามีตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าที่แม้ยังไม่ได้บรรลุก็ออกจากวังกรรษัตริย์ที่รู้ความจริงแล้วท่านก็ละสมบัติหรือครูบาอาจารย์ในประเทศไทยรวมถึงพระอาจารย์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะพอ ร, รู้ความจริงแล้วก็แบบมุ่งมั่นในด้านนี้เลยแต่ทาไมอ่ะแบบ เออเองอ่ะก็ก็มีความรู้ความเข้าใจแต่ทํำไมถึงยังอยู่ตรงนี้อยู่ค่ะพระอาจารย์เพราะยังไม่เห็นทุกนะยังคิดว่ามันเป็นสุขอยู่ต้องโดมันกัดสักวันนึงก่อนนะ <c oughs> คือถ้าเห็นจริงๆแล้วเอึงก็จะกล้าตัดได้มันก็ไม่อยากจะได้นะ <c oughs> คนส่วนใหญ่เวลาจะไปบวชกันนี่บวชเพราะความทุกข์มากกว่า อ, อ, อย่างหลวงปู่ข้านี่เมียไปมีชั่ว อันเห็นว่าการมีชุดมีเ ม, มียนี่เป็นทุกข์แล้วมีเมียดีกว่าให้บวชดีกว่า อ, อต้องเจอความทุกข์จริงๆก่อนมันถึงจะเข็ดมันถึงจะกลัวแต่ถ้ายังยังอยู่กับแฟนอยู่แฟนยังดีกับเราอยู่ยังรักเราอยู่นี่มันก็ทิเงินยากอ่ะแต่ถ้าเราเจอแฟนเตะเราถีบเราดู <laughs> โอเคค่ะแปลว่าเอิงต้องเห็นถูกจริงๆไม่ใช่แค่จําแล้วก็<ช>ม่คิดเฉยๆคิดเฉยๆม่ใช่ไ่ใชไม่มเป็นของจริงต้อง้มันเป็นเจริงโดนตบหน้าจริงๆทีคิดถึงเวลาคนตบหน้าเรากเวลาถูกตบหน้าไม่เหมือนกันน ะ, อ, ะอันนี้เราได้ใครอยากจะตบหน้าเราก็ตบได้แต่พอถึงเวลาโดนเข้าจริงๆนี่มันมันจะเปความรู้สึกอีกอย่าง โอเคค่ะพะอาจารย์เอิงจะเรียนรู้ก็ถูกแล้วก็จนเบื่อหน่ายแล้วก็ไปถึงที่สุดให้ได้ค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะพะอาจารย์ ค, ะ ค, ะคำถามจากคุณใบเหลียนนั่งภาวนาไปเรื่อยๆจนลมหายใจละเอียดและสั้นลง จนเหมือนว่าลมหายใจหายไปพยายามใช้คําบริกรรมพุโทโธแต่ก็รู้สึกเหมือนร่างกายเกร็งจนกัดฟันควรจะทําอย่างไรต่อไปดีเจ้าคะควรจะดูเฉยๆไม่ต้องใช้คําบริกรรมดูลมไปลมหายก็รู้ว่ามันหายไปรู้เฉยๆไปท่านนี้ให้รู้อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปเกร็งไม่ต้องไปทําอะไรให้รู้เฉยๆแล้ว ใ, ใจก็จะสงบ คำถามจากคุณบุตรสลาคำข้อที่หนึ่งขอวิธีการฝึกการละสักยะทิฏฐิเจ้าค่ะการละสักยะทิฏฐิคือการเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราก็ต้องพิจารณาร่างกายว่ามันมันเป็นตัวเราของเราเมื่อไหร่แล้วมันหมดจากการเป็นตัวเราของเราเมื่อไหร่มันก็ชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่มันก็เป็นของเราแต่พอมันตายไปมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้ว แล้วก่อนที่มันมาเกิดมันก็ไม่ได้เป็นของเราอันั้นก็พิจารณาว่ามันเป็นของเราเพียงชั่วคราวไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงอย่าไปยึดอย่าไปติดเมื่อถึงเวลาที่จะให้มันตาย ก, าก็ต้องปล่อยมันไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันข้อที่สองพระอนาคามีนอกจากการละสังโยชน์ห้าข้อแล้วจะต้องฝึกสมาธิให้ได้ถึงในระดับจะตุฌานด้วยใช่ไหมเจ้าคะ ต้องได้มาก่อนต้องได้มาก่อนเป็นพระโสดาบันแล้วพวกฌานนี่ถ้ายังไม่ได้ฌานนี้ยังไม่มีกำลังที่จะไปละสังโยชน์ได้คำถามจากคุณอโนมาการปล่อยปลาจะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนไหมเจ้าคะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยปล่อยคำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งการถวายน้ำบนหิ้งพระ เป็นสิ่งที่ควรทำหรือเป็นความเชื่อโยมเห็นที่บ้านต้องถวายข้าวน้ำและเปลี่ยนดอกไม้ทุกวันทุกวันพระแต่โยมเลือกมาทำบุญที่วัดแทนหรือเลือกไปปฏิบัติธรรมตามวัดแทนเจ้าค่ะก็ทำแบบนั้นไม่ได้บุญ่ยบุญเกิดจากการที่เราเสียสละข้าของไปนี่เราเข้าของมาตั้งไว้เดี๋ยวเสร็จแล้วก็กลับคืนไปเราก็ไม่ได้เสียสละอะไร ถ้าอยากจะเสียสละก็เอาเข้าวที่ถวายพระนี่ไปใส่บาตรแทนหรือไปให้ขอทานคนขอทานก็จะได้บุญเกิดขึ้นมาข้อที่สองเพราะเหตุใดการเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงต้องใช้ความเพียรและการฝึกที่ต้องอาศัยความอดทนและปัญญาซึ่งไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆคะเพราะทางเดินของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนเดินขึ้นเขาไงเดินขึ้นเขามันยาก ถ้าไม่พยายามก็เดินไม่ไหวมันไม่เหมือนกับเดินลงเขาถ้าไปทางกิเลนนี่มันเหมือนกับเดินลงเขาพอกิเลสบอกไปเที่ยวปับ๊บไปเลยไปกินไปดื่มไปเลยอาจจะให้ไปอดข้าวนี้ไม่ไป ข้อที่สาเพราะเหตุใดทำไมบางคนพอฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจเลยทันทีบางคนต้องฟังซ้าๆบ่อยๆถึงจะเข้าใจและบางคนฟังก็ยังมีความลังเลสงสัยว่าจริงหรือไม่ทั้งๆที่นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันเพราะความรู้ความฉลาดไม่เท่ากันเหมือนนักเรียนในห้องเรียนมีตั้งแต่ระดับสองจุดขึ้นมาถึงสี่จุด ก็อยู่ในห้องเดียวกันฟังจากครูคนเดียวกันแต่ทาไมเวลาสอบสอบบางคนได้สี่จุดบางคนได้แค่สองจุดเพราะความฉลาดความเข้าใจไม่ไม่เท่ากันตอนนี้คำถามหมดเจ้าค่ะ อ, อะไรจะถ า, อา ม, มอีกไหมอีกหนึ่งก็แเป็นสีสัน ถามอีกนิด น, นึงค่ะระอาจารย์อย่างนั้นตอนเนี้เอิงอยู่ในสถานะคาราว่ารอะค่ะอย่างเงี้ยเรามีความคิดว่าอุย้ยไม่จําเป็นต้องไปบวชหรอกเป็นคาราวาสก็ปฏิบัติได้อันนี้เราโดนกิเลสหลอกใช่ไหมคะดึกก็ปฏิบัตปิปฏิบัติได้ระดับหนึ่งเท่านั้นค่ะเหมือนกับเวลาเรารักษาพยาบาลที่บ้านกับรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็รักษาได้ทั้งสองที่แต่ผลว่ามันต่างกัน ถ้าเราอยากจะรักษาให้หายแล้วก็มังจะไปรักษาที่โรงพยาบาลอืแต่ถ้ารักษาที่บ้านนี้บางทีมันก็ไม่หายอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติที่บ้านเราก็ปฏิบัติได้ในระดับหนึ่งแต่จะให้ระดับสูงนี่มันต้องไปไปไปบวชไปปฏิบัติแบบนักบวช <Okay. S 1> แต่เวลาเริ่มต้นยังไม่ต้องไปบวชก็ได้หรอกเริ่มต้นก็ปฏิบัติที่บ้านไปก่อนเป็นไม่ก็ยังเป็นมือสมัครเล่นไปก่อน ก็ได้ผลดีเห็นคุณค่าของการปฏิบัติก็อยากจะปฏิบัติเป็นมืออาชีพต่อไปคำถามจากคุณนัดวดีถ้าเราจะแนะนำคนที่กำลังจะตายให้นึกถึงบุญกุศลที่เคยทำมาถูกต้องไหมเจ้าค้าหรือทำอย่างไรถึงจะไม่ตกไปอบายภูมิคะ เ, ออเราไปแนะนำเขาไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่มาถามเราอยู่ดีๆอย่าไปยุ่งของเขา น้องชายเขาถามแล้ ว, ว่าให้ทำยังไงดีเราก็บอกว่าให้ทำใจให้สงบให้ปล่อยวางร่างกายดีกว่าส่วนบุญกับบาปที่เราทำนี้มันจะเป็นผู้ตัดสินว่าเราจะไปอบายแล้วเราจะไปสุคติไม่ใช่อยู่ที่ตอนตายแล้วเราสามารถเลือกไปได้เราเลือกไม่ได้ผู้ที่จะเลือกทางไปให้กับเราก็คือบุญหรือบาปที่เราได้สะสมไว้ถ้าบาปมีมากกว่า บ, บุญบาปก็จะหนึ่งไปอบาบัย ถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ตอนนี้เราสามารถเลือกทางไปได้ตอนที่เรายัางไม่ตายตอนนี้พยายามทำบุญให้มากกว่าบาปไว้พอตายไปบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์ได้คำถามจากคุณวรลวัตการเดินจงกรมต้องเอาจิตไว้ตรงไหนครับก็มีสองที่ที่ไว้ได้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปก็ได้เดินไปก็พุทโธพุทโธไป แต่ก็ต้องดูทางเดินด้วยนะไม่ใช่ไม่ดูเดินไปเตะนู่นเตะนี่เข้าเดินดูทางเดินแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วิธีที่สองก็คือดูเท้าเราก็ได้เวลาเดินไปก็เฝ้าดูเท้าเรา ก, เกําลังก้าวเท้าไหนซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วก็ดูทางเดินไปด้วยท่านี้ก็ก็สามารถเดินจงกรมได้เป้าหมายก็คือไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ คำถามจากคุณทีคัฒนาทำอย่างไรจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างมั่นคงไม่ย่อท้อกิเลสเข้ามาแต่ข้อสอบยากๆเราจะมีกำลังสู้ได้ต้องมีสมาธิให้พอใช่ไหมเจ้าคะเราก็ต้องไปศึกษาปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ที่เข้งขันให้ท่านเป็นผู้คอยควบคุมเราเราเป็นเหมือนทหารเนี่ยถ้าเราไม่ไปอยู่กับที่เป็นทหารผู้ที่ฝึกเราได้ เราก็จะไม่รู้จักวิธีเป็นฐานแค่เวลาคนที่เข้าเกณฑ์ฐานใหม่ๆเขาจะถูกส่งไปโรงเรียนฐานฝึกใหม่มีครูอาจารย์คอยคอยสอนคอยปลุกคอยให้ทําให้ตื่นเวลานั้นให้กินข้าวเวลานี้ให้ออกกําลังกายเวลานั้นให้ทําอะไรต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันการการปฏิบัติธรรมก็ต้องมีผู้สอนผู้คอยฝึกเะฉะนั้นเวลาบวชนี้เขาจะต้องให้อยู่ออกับครูบาอาจารย์อย่างน้อย5ปีด้วยกัน คำถามจะคุณใบเหรียญการจะบรรลุขั้นพระโสดาบันสามารถปฏิบัติที่บ้านได้ไหมเจ้าคะคือมันไม่ได้ปฏิบัติที่บ้านหรือที่ไหนแล้วมันอยู่ที่จิตถ้าจิตเรามีศีลสมาธิปัญญาเราก็บรรลุเป็นโสดาบันไดยังไม่มีคำถามเจ้าคะ่ะแต่อยู่ที่บ้านแล้วอยู่ที่วัด น, นี้มันมีความแตกต่างกัน อย่ที่บ้านมันมีของรบกวนใจเยอะมีอุปสรรคเยอะกว่าถ้าไปอยู่ที่บ้านนี่มันทางมันโล่งกว่าถ้าเปรียบเที่ยวก็เหมือนขับรถขึ้นทางด่วนขับอยู่ใต้ทางด่วนถ้าขับรถใต้ทางด่วนมันก็ช้ากว่ามีไฟแดงมีรถติดแต่ถ้าขึ้นทางด่วนได้มันก็วิ่งไปฉลวยออกขึ้นไปก็ไม่มีไฟแดงไปถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายกว่าเร็วกว่าการบวชกับการ การอยู่บ้านปฏิบัติเก่ารไปปฏิบัติที่วัดก็แบบนี้การไปปฏิบัติที่วัด ก, ก, ก็ถ้าถือว่าไปไปบวชถ้าไปบวชก็ถือว่าได้ขึ้นทางด่ว น, นแต่ถ้าบวชถ้าปฏิบัติที่บ้านมันก็อยู่ใต้ทางด่วนมีเรื่องนั้นเร่งนี้ใครมาใครมารบกวนใจอยู่เรื่อยๆโอเคมีคําถามเลย you speak English ถ้ไทยใจก็ทำที่อาจจะไม่ไม่ปลอดภัยป่ ะ, ะถ า, เเามเลยเดียวงม้นก็ไม่พอไม่ถ า, ถ า, เเามเลยเ <ๆ S 1> พราะว่าผู้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่อ่าไม่ชัดอะไรสีกขามนาฉันเป็นสิขามนา แต่ไม่ปรารถนาที่จะเป็นภิกษุณีในประเทศจีนฉันรู้ว่ามีภิกษุณีจีนที่ดีอยู่ในศรีลังกาฉันจำเป็นต้องไปศรีลังกาเพื่อเรียนต่อหรือไม่หรือว่าฉันควรอยู่ตรงนี้แล้วฝึกต่อไปเจ้าคะก็อยู่ว่าเราฝึกเราฝึกที่ตรงไหนได้เราก็อยู่ตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าเราฝึกถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วฝึกไม่ได้ดีเท่ากับไปตรงนู้นเราก็ต้องไปที่ตรงนู้น ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราสามารถฝึกตัวเราเองได้ปฏิบัติได้เหมือนกับเราไปตรงนู้นเราก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าไปตรงนู้นดีกว่าอยู่ตรงนี้เราก็ไปอ่าเอาไามคา์กระโฟนมาให้อ้แต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าต้องเป็นพิสูนีย์ไหมคะคือการเป็นพระหรือเป็นภิกสุนีนี้มันเป็นการอยู่ในสังคมที่มีการปฏิบัติ ถ้ า, าไม่ได้เป็นภิกษุนี้ไม่เป็นพระนี่เราจะอยู่สังคมที่ไม่ได้ปฏิบัติมันก็จะปฏิบัติน้อยกว่าการที่เราอยู่ในสังคมที่ ม, มีการปฏิบัติเฉะนั้นเราถ้าเราต้องการปฏิบัติเราก็ต้องไปอยู่กับในสังคมที่มีคนปฏิบัติเยอะปฏิบัติดีอย่างในเมืองไทยนี้คนที่อยากบวชอยากปฏิบัติจริงๆก็ไปอยู่สายวัดปา่าไปอยู่ครูบาอาจารย์สายวัดปา่าสายหลวงปู่มั่นนี้ ก็จะมีครูบาอาจารย์ที่ได้ฝึกฝนอบรมมาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้วแล้วก็มีที่สลานที่ที่สงบที่เหมาะกับการปฏิบัติไปอยู่กับสังคมเหล่านี้มันก็จะทําให้การปฏิบัติเรานี้ไปได้ง่ายกว่าเพราะมีคนคอยฉุดคอยลากเอาไปด้วยวันที่เราขี้เกียจก็มีคนอื่นเข้าฉุดเขาลากเราถึงเวลาต้องตื่นเราก็ต้องตื่นแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนีอนเลิกเวลาตื่นได้วันนี้ขี้เกียจตื่นได้บินทบัดก็ไม่ไปก็ได้ แต่ถ้าอยู่กับคนอื่นเขามีเวลาบังคับเราเข้าใจอย่างอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศไหนประเทศจีนค่ะประเทศจีนวนได้กี่ปีแล้วเอเคยเป็นม่ชี่ของประเทศไทยอาาืเดี๋ยวกี้ที่แล้วก็กลับไปเมืองจีนเพราะสุขภาพไม่ดีอาาเดี๋ยวก็ปเปลี่ยนไปเมบนจีนค่ะอืมแล้วจะทำไงต่อเ น, นี้ย ไม่ถูกยังไม่รู้ยังไม่รู้ถ้านอยู่าอยู่เมืองไทยเป็นแม่ชีก็ก็บรรลุทำได้มีแม่ชีแก้วมีแม่ชีอะไรที่ท่านก็บรรลุทำได้แม่ชีก็ได้พิสุตดีก็ได้พิกสุก็ได้ถ้อยู่เมืองไทยก็อยู่ยากที่ไหนก็ยากเท่านั้นเพราะมันเพราะมีกิเลสเยอะถ้ากิเลสน้อยมันก็อยู่ที่ไหนมัก็อยู่ง่ายอย่าไปจู้จี้จุกจิกเด สันโดนยินดีตามมีตามเกิดอยู่ตรงไหนก็ได้เขาจัดกติให้เราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่เขาให้เรากินอะไรก็กินเขาให้เราทําอะไรเราก็ทําไปมันก็ง่ายเลยหมดแต่ถ้าเราต้องทําอย่างนั้นแล้วต้องทําอย่างนี้แล้วเขาแม่เราทําอย่างนั้นแม่เราทําอย่างนี้มันก็ยากถ้าไม่จะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีคนจีเยอะเยอะแล้วก็จะยุ่งยากก็ไปที่ไม่มีคนจีเลยเด ไปอยู่วัดที่ไม่มีคนจีนหาวัดป่าที่ไม่มีคนจีนมีเยอะแยะเนียลองไปหาอยู่ลองไปไปศึกษาไปถามคนโ น, น้นถามคนนี้อยู่เดี๋ยวก็เจอเองนะตอนที่เราบวชเราก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันแล้ว ก, ก็ลองผิดลองถูกไปโชคดีไปถูกวัดแรกเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยอต้องไปทดลองดูถามคนอยู่ที่ไหนวัดไหนเงียบๆครูบาอาจารย์ขค่ขั้นมีแม่ชีไม่กี่คนอย่างนี้ย ต้องหาที่เงียบไม่มีคนเยอะถึงจะปฏิบัติดี <c oughs> ถ้ามีคนเยอะเรื่องมันมากเข้าใจ okay. คำถามจากคุณเปเล่มีญาติสนิทมาขออยู่กับเราที่บ้านสักสองสัปดาห์แต่เราไม่สะดวกเราอยากปฏิบัติธรรมไม่ชอบคลุกคลีหรือวุ่นวาย การปฏิเสธไปจะเป็นความไม่มีเมตตาและน้ำใจไหมครับก็แล้วแต่ว่าเจตนาของเราอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่ต้องการเขาเพราะความเห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ตัวแต่ถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องอยู่คนเดียวไม่รับเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวมันเรื่องของความจาเป็นไม่มีแล้วจ้ะค่ะถ้าอยากจะอยากจะช่วยเขาก็ไปเช่าบ้านพักให้เขาอยู่เลย ถ้าอยู่กับเราไม่ได้ถ้าเรามีปัญญาพอที่จะไปเชาอ้องพักให้เขาได้สักเครื่งเดือนแล้วไงก็เช่าให้เขาไปอยู่ ม, มีคบถามนละคะ่ะโอเคเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิเนพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไปเถิ